بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين و ب ฮฺอัลลอฮฺมัลลัลลอฮฺ ا ل ل ลอฮฺมัลลัลลอฮฺอัลลอ ل ل ل ัลลั ل ي م ฮฺอัลลอฮฺมั ا ลัลล ل ฮฺอั ه ลอฮฺมัลลัลลอฮฺอัลลอฮฺมัลลัลลอฮฺอั ل ه อฮ ل มัลลัลลอฮฺอัลลอฮฺมัลล وعلى آله وصحابته ومن وله إلى يوم الدين وسلّم تسليم ك ث ي ر ا أما ب ع ى ربنا ص ل َ م ن ا أنفسنا وإلا ترحمنا لنكوننا من ا ل ك ا س ِ ي ن لا ع ل ن ا إلا ما علمتنا إن كان ت ن ع ي ن رب الشهري صدري สวัสดีวะฮ์ลิอุกลดะตันมิลลิสันียับโคห์กอวีสลามุอาลัยคุมวะราะห์มะตุลลอฮ์วะบาระกัยตุละหลังจากได้สั่เสินอัลลอฮ์ตะลาเล็กลาสละวัตแก่ท่านนบีนะเราก็มาสู่รายการอันกุอ่านเพื่อชีวิตอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้เราก็ยังอยู่ในซัวร์อันอรอฟนะครับอายที่เราจะอ่านวันนี้หนึ่งร้อยเจ็ดสิบสองหนึ่งร้อยเจ็ดสิบสามและหนึ่งสี่นะครับ อ่าสามอายัดนะแต่ก็ไม่ได้ยาวอะไรมากมายนะครับอ่เราเปิดไปนะครับเปิดไปดูอายัดที่หนึ่งร้อยเจ็ดสิบสองหนึ่งร้อยเจ็สิบสามและหนึ่งร้อยเจ็ดสิบสี่นะครับอ่าเมื่อพี่น้องเจอแล้วพี่น้องดูตามไปก่อนนะครับอบิลนยร و َإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ ب َ ن ِ ي آ ت َ ن َ مِنْ ذُهُورِهِمْ ذ ُ ل ِّ ي َ ت َ ه ُ م ْ وَأَشْهَدَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ ع َ ل َ ى أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قالوا بلشاهدنا أن تقول ي و م ا ق ي ا م ة إننا عن هذا غفلين أو تقول إنما أشرك أُنَا م ِ ن قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً م ِ ن ب َ ع ِْ ه ِ م أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا ف َ ع َ ل وكذلك นุฟัซลุล الآيات ولاعلّهم يرجون ครับเรามาดูการอ่านนะครับดูการอ่านนิดหนึ่งว่ายินยินนะตามที่เราเรียนในคิดว่าตีนะนะด่านนิมะกขาบอกว่าอินให้เราให้ลิ้นของเราอยู่นอกฟันนะครับด้านหน้าอินให้ปลายลิ้นหรือนอกฟัน ถ้าอยู่ในฟันมันจะกลายเป็นตัว zae เป็น iz อันนี้เป็นจานถ้าถ้าเป็นจานอินะอ้าขอ zaezae ให้เราอย่าอ่านเป็นซ a e นะ zae มาให้ลิ้นมาอยู่นอกฟันรบรบรบรบเรออกเสียงให้ให้ใหญ่นะครับตับคีมรบบูกามิ่งอันนี้นุนสุกูลหลังนุนมีบ้าอันนี้เราเรียกวาอีลาบนะครับเปลี่ยนเสียงนุนให้เป็นมิมงอ่า เราจะเห็นในหนังสือในในมือับจะมีมี ม, มเล็กๆอยู่นะมันก็เป็นอุคุมเรียกอีกลาบนะครับมันก็ออกเสียงก็เหมือนกับอิฟะชภ า, าวียนเองนะมินนะ่นจะไม่ปิดปากนสนิทนะมีบานีนี่เนี่ยเป็นมม่ยาอิสุมพัสินนะเราจะอ่านสักสี่หรือห้าเรกันนะครับออดามามิน สุกูลหลังนูนมีตัวโวอันนี้เราเรียกว่าอีกฟ้าเวลาเราอ่านอันนี้นะครับออกเสียงนูนสุกนูนเนี่ยควบกับตัวฟ้าในมุสซับจึงไม่ได้เขียนสุกุลเอาไวา้ก็เพราะว่าไม่ได้ออกเสียงนูนสุกูลเต็มๆนะครับออกกํากึ่งกับตัวก็มินดูฮูรีหิมหิมมิมสุกูลลังมีมีตัวดาลอันนี้ออกเสียงมิมให้ชัดเจนนะครับหิมก็ได้อินฐานชีฟาวี ดูรีรีนี่เป็นย า, เ, าเป็นตดชิดนะชิดชิดดาอะไรเรียกิดด เ, เป็นการเน้นนะเรียกว่าสัดูสัดูเดน้นเรียกสัดูที่เราใช้กัรเน้นตุรีรียะตาหุมหุมมิมสุกูลเรามีมีวาวเราก็ออกเสียงมิมสุกูลให้ชัดเจนออกให้ชัดเนมากเลยนะรดรียะตาหุมวะ ฮุมว um, ่าออย่าไปอ่านฮุมนะไม่จีบุญนะนะครับว่าอตชนก็ออกเสียงเอออกเสียงอนะที่อุสาหิมาว่าไล่คนะครับอาอฮาดฮุมฮุมมีมสุูนหลังมีมีอ ok อินเราก็ออกเสียงมีมให้ช nah, ัดเจนนะครับฮุมอ และนี่เป็นมัจยาอิสมุมฟะซินมื่อกี้เราอ่านสี่ก็สี่นะถ้าอ่านห้าก็ห้านะครับอ่าสี่ห้าฮาร์กัสอะไรกันนั้นอันฟูซีฮิมอันเนี่ยนุนสุขุ ล, ลังนุนตัวฟ้าร น, น, นะครับอ่าเพราะว่าเวลาออกเสียงเนี่ยเราไม่ออกเสียงว่าอันนะอ่าเพราะนั้นเราออกเสียงไปควบกรัมกับตัวฟ้าก็อ่านว่าอ่าการจะควบกรัมได้เนี่ยต้องมีเวลานะครับเราใช้เวลามาสองฮาร์กัส น, นะครับ อันฟูซีฮิมฮิมเนมิมสุกูนลังมิมีฮัมซาเราก็ออกเสียงมีมให้ชัดเจนฮิมอันฟูซีฮิมเอลัสตูบีรบรบเราออกเสียงให้น่าทักทิมรบบิคุมกอลูเบลเชฮิดนะเครื่องหมายสามจุดนะครับถ้าเราหยุดที่สามจุดแรกเราจะไม่หยุดที่สามจุดที่สองถ้าหยุดที่3จุดที่สองก็ต้องไม่หยุดที่3มจุดแรก ว่ากอลูบาลาชียิดอนะอย่างนี้ไหมกอลูบาลาถ้าเราหยุดเอ่อเชียหิดอนาเราจะอ่านต่อไปเลยนะนะถ้าเราหยุดที่บาลานะถ้าไม่หยุดที่บาลาก็เอ่อเราต้องมาหยุดที่ถ้าไม่หยุดที่บาลาลก็มาหยุดที่หนานะอันอันในนูนสุกูลนะเขาไม่ได้เขียนสุกูลไว้เพราะว่านูนเนี่ยนะไม่ได้ออกเสียงเต็มเต็มมันออกเสียงควบกับ คาบกลัมหรือไปกลัมกึ่งกับตัวตา้าอันเราเรียกอกฟ้านะแบบนี้อกฟ้าอันตะกูลูเย้ามัลมัลก็ลามกมาริยนะเราออกเสียงลามแล้วต้องกระดุกลิ้นมัลเย้มัลติยะยะนี่นะเป็นขีดอยู่เนี่ยนะหรือนะที่เราเรียกมันว่าอลิปเล็กนะั่นคะรับนะเป็นหมายถึงอลิปหมายถึงออกเสียงสองฮาร์ก้าเป็นมัตเตอร์เบีย เยว์มะลติยามะตีอินนะนุนเนี่ยเป็นนุนจุดด้านเนี่ยต้องมีหุนนะครับหุนนะคือเราเรียบความสะเทือนของเสียงมาถึงเราไม่อ่านผ่านไปรีบๆน ะ, ะมีเสียงสะเทือนอย่าง น, น, น, นี้ยนุนนี่ก็ว่าสะเทือนที่จมูกนะเสียงขึ้นทางจมูกอินนาอินนาหุณ มันกันนะครเราไม่อ่านกุนนะ้นนาอนวากุนไม่มีเสียงเตือนที่จะหมุนะอ น, น, น, ลล น, น อ, อ, อ, อันนูนสุกูลังนูนมีฮะอ่าก็ออกเสียงนูนสุกูลในชัดเจนนะในมุสาวก็จะเขียนนูนสุกูลมาชัดเจนเลยนะครับนะเพราะว่าเราออกเสียงนูนให้ชัดเจนนะเต็มเตมอันนะอินแตอ่าฮันตีนะออินแทฮกีอั น, นออะฮะนะมันมีขีดอยู่ก็เท่ากับ2 อ, อรักานะเท่ากับ อันหาดาดายันวาซานะาอันฟิลีนนะอนี่ก็มีขีดอยู่เท่ากับอาริบนะครับออกเสียงให้ยาวสองอารองกะเป็นมัตตร์เบียอันี้โอนฟลีนก็เป็นมัดยอิสเป็นมัดอาริลิสสกูลนะเมื่อเราหยุดเราก็อ่านให้ยาบนะลองอ่านอายัดนี้กันนะครับ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإلَّا خَذَ رَبُّكَ مِنْ بَلِيْءٍ أَلَمَ مِنْ ذُهُورِهِنَّ ذ ُ ر ِ ي َ ت َ ه ُ م ْ وَأَشْهَادَهُمْ وأشهد لهم على أنفسهم أ, ل, أ, أ ل َ س ت ُ ب ه م قالوا بلأشهدنا شهدنا أنتقول يوم ا ل ِ ي ا م ة إ ن ّ ا كنا عن هذا غافلين เราจะดูต่อนะครับ เอาต่กูลูลูกก็เป็นมัดยาอิสมุมงฟะซินนะครับนะเราอ่านสี่หรือหอ้ารากนะครับอินนัมาอินเนี่ยนูนมุช ด, ดาดะนะเราก็ออกเสียงหุนนะให้มีเสียงขึ้นจมูกอินนะเขาเรียกสัปดูหน่วงใช่ไหมหน่วงเสียงก็คือออกเสียงเราไม่รีบไปนะแล้วก็มีเสียงสั่นนะเสียงสะเทือนที่อจมูกอินนะมา มาก็เป็นมัตยาอิสมุฟสินนะครับนะเพราะวะา่ามัตบีข้างหลังมัตตบีนี่มีฮัมซาซึ่งอยู่คนละคำกันอัชอัอชก็ออกเสียงชินอัชรอกาอาบาอูนาบ้านี่ก็เป็นมัตวาจิบนะครับมัตวาจิบมุตสินนะเรา อ, อ่านในเท่ากับมัตยาอิสอมุนฟสินก็ได้นะครับนะคือ5หรือ4ีหารากานั้น อ่บะอุน่มิงมิงอันนี้นูนสุกูลหลังนูนมีตัวกอบนะเราก็ต้องออกเสียงนูนพวกออกับเสียงกอบนะครับเราจะไม่เห็นสระสุกูลที่บนตัวนูนนะครับนะเพราะว่ามันไม่ได้ออกเสียงนูนเต็มเต็มนะครับออกเสียงกัมกึง่งมิงกอบกอบโซบะบะนี่ก็เป็นอะไรเป็นพัดก้อนก้อนแล้วเมื่อใส่เมื่อมีสุกูลก็ต้องอะไรกอบเบอต้องออกเสียงสะท้อนกอบเบลู ว่าคุณนะนูนชดด้นดะเอ้นูชิดด้านนี่กทุกครั้งนะเราต้องจาต้องมีคุณนะเราจะผ่านไปแบบเร็วๆไม่ได้ว่าคุณน ร, รีนี่เป็นสับดูรหรือว่าเชิดด้านเชิดด้าเนี่ยเน้นรีนะเราเน้นนะครับไม่ใช่ร่นไม่ใช่รีอันว่ารีนะประว่าตัวย่างนี่เป็นสองตัวซ้อนอยู่นะครับดียะตัน่ตันวินหลังตันวินมีตัวมีมอย่างนี้เราเรียกว่าอิดาล้อม มันหุนนะนะเราก็ต้องออกเสียงหุนหน้าด้วยนะออกเสียงที่ตัวมิมนะครับอว่าตันแม่นว่าตันดุลียตันมิมเบะอดีหิมมิมบะอดีหิมมินเนนุสุกูลหลังมินจบหลังนุสุกูลมีตัวเบะอันนี้ให้เปลี่ยนเสียงนูนให้เป็นมิมนะครับก็แล้วนะก็มีมีหุนน้เล็กน้อยนะครับนะมิมเราจะไม่ปิดปากให้สนิทมิมเบะอดีหิม อาฟาตุห์ตุตรออกเสียงใหญ่ตอลีกูนบีมาฟอัลลันะลัก็เป็นเป็นอะไรครับเป็นาลามกอมารยะออกเสียงลามโดยกระดดลิ้นขึ้นมานะฟอัลลมูบมูบตัวบะเดกก่นกลเราออกเสียงสะท้อนมูบมูบตีลูนสะท้อนคลาเสียงสัข้างหน้านะมูบตีลูนลูนก็เป็นมัดยาอิมฟซิน เราอ่านยนี้กันนะครับเอาเอาตะกูลูอินมาอัชรกอาบะอูนามินมะคุนนาดุรียะตันมิบะดิห์ม อีกครั้งนะครับอูฏกูลอินนอชรกอบอนมิ่งบลวุนดุยมิบดีหม อัฟัตุฮลิคุณา بما فعل المبطلون อัฟัตุฮลิคุณา بما فعل المبطلون ต่อไปนะครับวาคาซาซาก็มีมีขีดอยู่ก็เท่ากับอลินะครับอ่านสองกซาวาซาลกนฟัส่อดออกเสียงสูงนูฟัสฟัสนะนฟซลุลนะามกมรยะอายะยากับยาอ่านให้เท่ากันนะครับสองารกอายตีวาลาอัลละุมยรยรยนี้ตับขีมนะครับเยารแต่ว่า ตัวยาเนี่ตรกกี้เนี่ยนะครับเนี่ยนะครับอ่านว่าอร์นนยไม่ใช่อ่านว่ายาอ่ายาจีอูนนะอูนก็เป็นมัดอาริุกูนวกาซาลิกานุฟซิลุลอายาติวะลาอจอูน و كذلك نفصل الآيات ولا علاجٌ เราอ่านอีกครั้งนึง <ون> <S ess> <S ess> عوذ بالله من الشيطان الرجيم و إ ل أ خ ذ ر ب ك مِنْ بَعِيدٍ أَلَمْ مِنْ ذ ُ ر ِّ ي َ ت, ت ه م و أ ش ه د ه م و أ ش ه د ه م ع ل ى أ ن ฟตุบิรบบิคุมกลาลูบัลลาชาฮิดนะอันตะกูลุยูมัลทิยามตีอินนาุนาัฟล أو تقول إنما شرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أ ف, ف َ ت ه لقنا بما فعل المُب ว่า كذلك นุ่งฟัซซิลอ้ายาติวลาลาอุมเยอนครับก็ไปอ่านหลายๆครั้งหลายๆเที่ยวนะครับต่อไปเรามาดูความหมายนะครับนีต้องย้อนไปสักนิดหนึ่งว่าดูว่ามันมีความต่อเนื่องอะไรกันบ้างก่อนหน้านี้ยวอ่านเรื่องอะไรครับเราขับไปเรื่องนิดนะครับ อย่างไรครับอัลลอฮ์สมบฮัดอัลลอฮ์ส่งเอาสัญญาแก่เอาสัญญาจากบานีอิสรา อ, อีนนะโดยการอะไรครับยกภูเขาตาูขึ้นเหนือพวกเข า, เาแล้วก็เราสรงตัดว่าให้พวกเขาทำไมครับกูดูมาอาตัยนาคุมบีกู้ะพวกเจ้าจงเอาสิ่งที่เรานํานำมาให้แกเจ้าด้วยกู้ะอะไรกั้ เรื่องความเข้มแข็งวัดกูรูมาที่หีแล้วก็ให้ร้ำลึกสิ่งที่อยู่สิ่งที่อยู่ในมันหมายถึงในสัญญาความับเลาเรีในคำพีคำพระองค์แล้วอันละกุ้มจะตะกูลเพื่อให้เกรงกลัวตอรับตล่ละซึ่งนั้นก็จบเรื่องของบาณีสรอีนในในตอนนี้นะครับจบตอนนะเอาเราขึ้นเรื่องใหม่นะทีนี้เอ่อเรื่องเทริอันเนี่ยมันไม่เกี่ยวกับบานีสรอินนะเกี่ยวกับมนุษย์ทั่วไป ว่าอิดแล้วเขาจะรบบูกะมิมเบนีแอเดมเราดูความหมายนิดนึงครับเดี๋ยวเรามาดูคำอธิบายแล้วก็มีฮาดิษเยอะแต่ว่าอินชาั้นเราก็พยายามที่จะเอาในาคือจะอ่านเพียงแค่บางส่วนนะเพราะว่าฮาดิษส่วนใหญ่ก็มีลักษณะที่ใกล้เคียงกันนะครับว่าอิดแล้วเขาจะรบบูกะ ในที่นี้ถึงว่าจงจงรำลึกให้รมลึกไอครรำลึกลครับให้ท่านนาบีมูฮัมมัดสุลตันนะแล้วก็พวกเราด้วยนะครับสิ่งที่อัลลอฮฺแตลาทรงตัดกับนาบีก็คือตัดกับพวกเราด้วย <S <S <S จงรำลึกเมื่อครั้งที่อาคอจาลบบูกามินบานีอาดัมมินซูฮูริหิมสุดรีอาฮุมเมื่อครั้งที่พระผู้รักษของเจ้าลบบูกาลบเออพระบานของเจ้าเจ้าคือมูฮัมมัดสุลตัน อาคอซามินบานีอาดัมได้เอาจากบานีอาดัมบานีอาดัมไมายถึน ใ, นใครครับนัคือมนุษย์นะลูกหลานอาดัมลูกของอาดัมนะมินซูฮูริหิมนะอจากซูฮูริหินอากกระดุษสลังของพวกเขาอยากสหลั ง, งเขาพวกเขาสุดริยาธุมนะแล้วก็สุดริยาธุมคือลูกลูกหลานเขาทอด อาะกูลของพวกเขาว่าอัชฮะดาว่าอัชฮะดาฮุมอัลลอันพวซิมอัลลอฮ์สุบิรบยึกุมและฉันให้พวกเขาได้ยืนยันอัชฮะดาปฏิญาณใช่ไหมปฏิญาณอัลาอัมพุซิมต่อตัวพวกเขาเองหรือตัวพวกรับยึกุมอัลลอฮ์สูงสัดถามแกพวกเขาว่าเจ้าคือพระผู้อ่นของพวกเจ้าใช่ไหมนะซึ่งอิมามอิบนุกซิร้อยมลล้อนครับท่านได้อธิบายว่า ยุคบรูฮ์ละอาลาอันน้าหอุอิสตักรอยาสุรีตะบันีอาดัมมินอสลามิัลลาได้ทรงบอกให้ทราบว่าพระองค์ทรงเอาลูกหลานของอลูกหลานของบันีอาดัมนะออกมาจากกระดูกสลังของพวกเขาถึงลูกหลานที่ออกมาจากกระดูกสลังในอันในตอนอีกตอนนึงที่เราทรงจัดว่านะมนุษย์เนี่ย ที่ถูกสร้างมาจากมะมะอุนดาฟิก์ใช่ยัครูยูมินใบนิซุนดีวันตารออิบนะตารออิบซุนบีเอคือกระดูกสันหลังตารออิบก็คือช่วงอกนะหรือน่าอกนะซึ่ง อ, อุลมามะอธิบายว่าก็คือคนเราเนี่ยนะการสืบทอดลูกหลานเนี่ยมาจากกระดูกสันหลังนะของของพ่อของเราอาดำนะนีเาาราแต่ละรงสัดว่านะพระองค์ทรงเอาลูกหลานของอาดำ ออกมาจากกระดูกสันหลังของพวกเขานะฮะแล้วก็ชาฮิดีน่าลาอัมพุซิมพวกเขาเนี่ยนะตอนออกมาก่อนที่เขาจะมาเป็นมนุษย์สู่โลกโดุนยาเนี่ยก่อนหน้าที่จะมาเป็นมนุษย์โลกดุนยาเนี่ยชาฮิดีน่าลาอมัมพซิมพวกเขายืนยันโดยตัวพวกเขาเองนะว่าอ่นนานัลลอฮารับบะฮุมเขายืนยันว่าวอัลลอฮ์คือประวัตของพวกเขาว่ามาลิกูฮุมและเป็นมาลีกูฮุ ม, มเป็ น, เ ป, นเป็นผู้ครอบผู้ปกครองเขา เป็นเจ้าของเขาว่าอ il ันนาหูลาอิลาอิลาหัวและพวกเขาก็ยืนยันว่าไม่พระเจ้าอื่นใด น, นอกจากพระองค์อัลลอลฺเพียงองค์เดียวเท่านั้นนะกามอันนาหูฟาตรอกามอันนาหูตาลาฟาตรอฮุมอลาซาลิกาวะจับาลาฮุมอะลัยฮิดังที่พระองค์ได้ทรงฟาตรอคือด้วยสร้างพวกเขามาอให้เป็นฟิตรรอของพวกเขาให้เป็นอธรรมชาติของพวกเขานะแล้วก็ให้พวกเขา เกิดมาในลักษณะชิ้นนั้นก็คือในลักษณะที่เขารู้จักพระเจ้านะมนุษย์เนี่ยนะก่อนที่เขาจะออกมาสู่โลกนุ่นยานเขารู้จักอัลลอฮ์แต่ลานะมันในในกุรอานอัลลอฮ์สุ่งสัตว์ว่าอีกตอนหนึ่งอัลลอฮ์สุงสัตว่าฟาอคิมว่จาจะให้กาลิลิฟันฟิตรอัลลอฮิลลาติฟะตอรันนะสอาไลาฮะดังนั้นเจ้าจงมุ่งหน้าของเจ้าสูส่ศาสนาที่เที่ยง เที่ยงธรรมนาเทฟพิตรอตันลอนั่นก็คือพิตรอของาลัตตาทำไมายากจะเลาสร้างมานะอัลลัตีฟาตอร์นัสอะไรฮะนะที่พระองค์ได้ทรงกำหนดหรือสร้างมนุษย์มาบนพิตรออันนี้ก็คือการรู้จักพระเจ้ า, าลาจอบดีและลีคอนกินลาไม่มีการเปลี่ยนแปลงการสร้างของลัตตาไอ้ยันนี้ก็บอกให้ทราบ ว, ว่านะอัลาลัตตาได้สร้างนมนุษย์มาในสภาพที่เขารู้จักพระเจ้า นะมนุษย์ก่อนที่จะออกมาสู่ชีวิตดุนยาของเขาเนี่ยนะเขาก็ได้ยืนยันว่าเขามีพระเจ้าพระเจ้าของเขาก็คืออัลลอฮสุบานตาลาเทนี้ท่านอิมามเอระดูอีกนิดหนึ่งนะนะว่าอัชฮะดูอลาอุมุสซิฮิมอัลัสตุบริรบบิกุมพระองค์ทรงให้พวกเขายืนยันนะด้วยตัวองคเขาเองว่าอัลลอฮทรงจัดถามพวกเขาว่าอลัตตุบริรบบิกุม ท่าเนี่ยหรือว่าฉันเนี่ยไม่ใช่เป็นพระเจ้าของพวกท่านหรือไม่ใช่เป็นผู้วบานของพวกท่านพวกเจ้า巴拉าชฮิตนาพวกเขากลางเองครับบาาบาลาเป็นคําตอบปฏิเสธหรือตอบรับครับครับถ้าถามว่าอารยาิซาต้องตอบว่าบาลาถ้าถามว่าท่านตอบว่านาอามนั่นคือตอบรับใช่ไหมครับนะพวกเขาว่าบาลาชฮิต น, นาอ่าใช่เลยเรายืนยันว่าพระองค์คือพระวันของเรา อ่าได้หอาจาร์นี่ก็ได้นะอันตะกุนก็เพื่อว่าพวกเจ้าเนี่ยจะไม่ได้กล่าวในวันจะไม่กล่าวในวันธรรมะหรือจะไม่ได้กล่าวในวันธรรมะว่าอินนาคุณนาอันแทะรอฟิลินนะแต่จริงเราไม่รู้เราไม่รู้ในเรื่องเหล่านี้นะเรื่องการที่พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าเนี่ยเราไม่ได้เราไม่ได้ทราบนะเราจรึงไม่ได้บูชาพระองค์นะเพราะฉะนั้นเร า, าจรึงเอาสัญญาอ่ารื ไ ด, ได้ให้เขาปฏิญาณก่อนที่เขาจะมาเป็นมนุษย์สู่โลกดุนยาเพื่อเขาจะได้ไม่อ้างว่าพออยู่ในโลกดุนยาแล้วเนี่ยเขาไม่รู้นะเรื่องของพระเจ้าเรื่องของลอตแลกนะเอาแตา่กู้รู้กู้น้ามิงกอบลูหรือหรือว่าพวกเจ้าจักกล่าวในวันแกะมัดว่าเชลก า, าอาบาขุนหน้แต่จริงบรรพบุรุษของเราเนี่ยทําการ ตั้งภาคีต่ออัลลอฮฺตะลามิงก๊อบลู ก, ก่อนหน้านี้ก่อนหน้านเราเนี่ยก็ตั้งภาคีกันมาว่าคุณนาจุริยะตันมินบาอัติหิมหลานหลังจากพวกเขาเราก็ทําตามพวกเขาเราไม่รู้เรื่องว่ามีพระเจ้าองค์เดียวว่ามีอัลลอฮฺเพียงองค์งเดียวเราก็ตั้งภาคีตามบรรพบุตรของพวกเรานะอัปปตุผลลิกุนะบีมาฟา ล, ลันมุติลูนนะพระองค์จะทําลายเราทำลายเราเรื่องลงโทษเรานะด้วยการกระทําของผู้ที่กระทําในสิ่งที่เป็นบาติน สิ่งที่เป็นบาติเนุสิ่งที่เป็นความทิดนะฮะด้วยการไปบูชาสิ่งอื่นนอกเจ้าลตระแหละลนะฮะซึ่งคํากล่าวนี้ก็จะกล่าวไม่ได้ทาไมล่ะครับให้ออมาเป็นมนุษย์ออกมาสู่โลกดุนยาเนี่ยเราอเอาสัญญาเกี่ยวกับพระปัญญาแล้วว่าพระองค์คือพระเจ้าของของพวกเขาและพวกเขาจะต้องอยืนยันนะว่าพระองค์คือพระผู้เป็านะฮะนั่นะคือการยืนยันก่อนที่จะมา สู่ชีวิตดุลยานะตั้งแต่อยู่ในกระดูกสันหลังของบรรพบุรุษของเขาะลอตตาลาได้เอาสัญญาพวกเขาแล้วการาลิกาณุปัสสุลอาญาติทํานองนั้นแหละเราได้จำเราได้แจกแจงอาญาตอาญติเคยองค์การต่างๆวาระอันละคุวาระอันละหุมยัริโยนเพื่อพวกเขาจะได้กลับกลับไปไหนครับกลับสู่การพักดีต่อลอตตาลาหลังจากที่เขาหลงไปตั้งฟาคีต่อพระองค์นะเอาล่ะบอกให้ เพื่อเขาจะได้กลับมาสู่การเป็นบ่าวของพระองค์ไม่มีการตัดท่นี้ท่านอิหมาัินุลกษิศก็ได้ได้ได้ได้กล่าวถึงหะดีที่อยู่ในหซบุคอรีและมุสลิมที่รายงานโดยอบีฮุเราะรลอญลอมอันหูอาบูร่์เล่าว่าอาล่าได้กล่าวว่ากุลูเมาลูดินยูและดูอ ล, ลันพิทรอเด็กทุกคน ทารกทุกคนเนี่ยเกิดมาตามพิทรอฟของเขาคำพิทรอฟหมายถึงอะไรก็ที่เอาล็อกที่กล่าวในอายนอะนี่แหละคือพิทรอฟหมายถึงอะไรครับการยืนยันในเอกภาพของพระเจ้าการรู้จักพระเจ้าของเขาการยอมรับในพระเจ้าองค์เดียวนั่นคือคําว่าพิทรอฟของเขาเราะเราสร้า ง, างเขากออ่อนจะสร้างเขามาเนี่ยก็ให้เขายืนยันแล้วเขาก็ยืนยันนะเขายืนยันตำนั้นทีนี้ ในว่าฟีร uh, uh, ิวายตินดูในตำสิทธิ์นะัาจารย์เคยมีนะว่าฟีริวายตินและในอีกรีวายต์หนึ่งในอีสายรายงานหนึ่งบอกว่าอลาหะดิหินมินละคือได้ให้เขาเกิดมาอลาหะดินมินละในมิลละนี้มิลละคืออะไรครับในในทางนี้หมายถึงแนวทางอันอิสลามในวิถีอันนี้คือวิถีอันอิสลาม หรือวิธีการตั้งไม่ตั้งภาคีตลอดเวลาวิธีเตาหิดฟาอาบาวา่าดังนั้นหลังจากที่เขาคลอดออกมาแล้วเนี่ยพ่อแม่ทั้งสองของเขาทําให้เขาเป็นยัฮดีไวยูมาไวยูนั ส, สิรนีีและทําให้เขาเป็นนัสโรณี่ไวยุมัดยิสานี่ฮและทําให้เขาเป็นมายูซีนะจะ ม, มาตูลาดุล บูให้มาตูนะบาฮีมาตันยัมมาฮันตูฮิซูนะพีฮะมินจัตนะท่านนบีก็ถามก็เปรียบเทียบให้ซอบ้างท่านบอกว่าเนี่ยเหมือนกับว่าลูกแพะนะที่เกิดมาสมบูรณ์ลูกแพะที่เกิดมาจากจากท้องแม่ขึ้นมานะสมบูรณ์นะพวกท่านเห็นไหมว่ามันมีความบกพร่องมันมีความหูมันแหว่งหรือเท้ามันขาดอะไรเนี่ยมัน มันไม่มีถ้าถ้าอยู่ในครันที่สมบูรณ์มันก็ออกมาสมบูรณ์แต่ว่าเมื่อออกมานอกคันแล้วเนี่ยมันอาจจะไปโดนโดนสุนัขกิ้งจอกกัดหรือโดนอะไรต่างๆนะซึ่งมันสมบูรณ์หลังจากที่คลอดออกมาคือเปรียบเทียบเหมือนกับอะไรับอ่าเด็กทารกที่เกิดมาเนี่ยอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์นะสมบูรณ์ในที่นี้หมายถึงว่าอยู่ในสภาพที่พอตาลาเป็นพระเจ้า แล้วก็ไม่ตั้งปาร์ไี้ได้แต่พ่อออกมาอยู่ในบรรยากาศของพ่อแม่ที่เป็นยิวก็ทำให้ลูกเขาเป็นยิวของพ่อแม่ที่เป็นคริสก็ทำให้ลูกของเขาเป็นคริสเตียนในบรรยากาศของพ่อแม่ที่เป็นมายูซีของเขาเป็นมายูซีก็เหมือนกับลูกออกมาสมบูรณ์ตอนแรกมันก็สมบูรณ์ทุกประการแต่ว่าพออยูอ่กับสภาพแวดลอมที่ไม่ถูกทำร้ายมันก็ทาให ที่กนพิการไปอะนั่นคือการเปรี่ยเที่ของท่นานอับดุลสลามอ่าในฮะดิษเนี่ยนะครับในฮะดิษที่กล่าวถึงเนี่ยนะอะ่มันบอกเราทราบว่าอ่าคนเราเนี่ยนะและเราก็าออกมาคือในสภาพที่ไม่ตั้งพาคีใดๆต่อละแต่ลาทีนี้อ่า แล้วก็การกระทำหรือพฤติกรรมของคนเนี่ยนะในแต่ละคนเนี่ยมันก็อยู่กับที่เขาที่เขาอยู่นะเพราะฉะนั้นพ่อแม่ต้องรับผิดชอบในเรื่องของการจัดบรรยากาศสภาพแวด ล, ลอ้อมนะแต่ว่าแต่ว่ามันมีไฮดีต์หนึ่งที่กล่าวถึงว่านระกตะลาได้สร้างคุณกลุ่มหนึ่งเป็นชาวสวรรค์และคุณกลุ่มหนึ่งเป็นชาวนารกและคนเราเนี่ยไม่ได้ไม่ได้เข้าวสวรรค์เข้านารกด้วยด้วยการสืบสกุล ไม่ใช่ว่าอันนี้ตระกูลนี้เป็นชาวสวรรค์นนะตะกูลนี้เป็นชาวนรกนะไม่ใช่การไปสวรรค์หรือไปนรกของเขาน่ะคือด้วยการกระทําของตัวเขาเองไม่ได้ไม่ได้รับมรดกมาจากพ่อแม่ที่เราเรียกว่าเป็นสันดานอ่หรือสันดอนอะไรแล้วแต่มันไม่จะเป็นสันดานนะคุณแต่ว่าเมื่อมาอยู่ในโลกดนิยมนะเขาก็พบกับสาภาพแวดล้อมต่างๆนะที่จะนําเขาไปสู่การกระทําความดีหรือการกระทําความชั่วอ่าแล้วก็แต่ละคนเนี่ย นะมันแยกต่างหากจากพ่อแม่ของเขาในเรื่องการแต่และคนต้องคุนฝ่ายด้วยตัวของเขาเองไม่ใช่ว่าถ้าลูกของอท่านครูแล้วก็ต้องต้องดีไปสวรรค์หมดไม่ใช่ะหรือลูกของคนยาเฮที่ไม่รู้เรื่องแล้วก็ต้องไปนรกสวรรค์ก็ไม่ใช่เราจึงเห็นว่าในถึงว่าลูกของท่านนาบีนุฮันลิสลามเป็นชาสวสวรรค์นในนรกครับชาวนารกถ้าเป็นด้วยเชื้อสายนะแต่เป็นด้วยเชื้อสายเขาก็าจะไม่เป็นชาวนารก ใช่ไหมครับแล้วก็นายบิบราหีมเป็นลูกของผู้บูชาเจวิตพ่อเขาให้บรหิมมาเลเสลามอสร้างรูปปัน้นสร้างเจวิตนะแล้วก็บูชาเจวิตแต่ท่านนายบิบราหีมเป็นผู้เรียกร้องสู่เตาทิศใช่ไหมครับมันคนละคือสร้างดีเป็นชาวสวรรค์มีดางท่านก็เป็นเชลหนุกก็พูดในในชัดเจนนะลัมมาต์ลัมมา อะไรตบใบเยนาลาหูอันลาหูบินอัศวบินยฮินอ่าบิดาของนบีบระหีมนั้นเป็นเชลนรุกวันถ้าหากว่าาว่าคนเราได้เข้าได้เข้าสวรรค์หรือไปนรุกด้วยด้วยอะไรครับด้วยด้วยตระกูลด้วยการสืบตระกูลเนี่ยนบีบระหิมได้ไปสวรรค์นะว่าช่หรือล่ะซึ่งเป็นไปไม่ได้นะเพราะฉะนั้นนะคนแต่ละคนเนี่ยมันขึ้นอยู่กับอะไรอ่าพฤติกรรมกา ร, การทําของเขาแล้วก็ขึ้นอยู่กับสิ่งที่ลอตตาได้ทรงกาหนดไว้แล้วว่า เครเป็นชาวนกเป็นชาวสวรรค์แต่ว่าแต่ละคนที่เป็นชาวสวรรค์เขาก็ต้องผลฝ่ายในการงานที่เป็นงานของชาวสวรรค์คนที่เป็นชาวนกการหันของชาวนรกและการผลฝ่ายของเขาเนี่ยมันอยู่กับการเลือกของเขาด้วยถ้าเขาไม่สามารถที่จะเลือกได้ก็ไม่ถือเป็นความบาปสำหรับเขาได้เห็นนี่เองที่ยังไม่อาคินใบเล็กยังไม่บรรลสุสานนภาวะเวลาเขาทําความผิดอะไรเนี่ยเขาไม่ต้องรับผิดชอบ เพราะเขาไม่มีสติปัญญาที่จะไปแยกแยะว่าอะไรถูกอะไรผิดใช่ไหมครับอหรือว่าคนที่เป็นบ้าอบาปกาก็ถูกยุคมันหมายวม่าเขาไม่ตกจุดความดีความชั่วเพราะว่าเขาไม่สามารถจะไปแยกแยะคนที่ที่จะเป็นคนชั่วหรือคนดีหรือคนที่ทําความดีได้ทำความชั่วด้วยได้สติปัญญาของเขาและเขาเขาสามารถกําหนดได้ว่าเขาจะทําหรือเขาจะไม่กระทาใช่ไหมครับนะเขาจะดื่มน้ําในแก้ว นี่เป็นน้ำเมาหน่ยครับเอ่อถ้ามีคนมาจับคอแล้วกรอกปาเข้าไปแล้วถ้ามีดื่มก็สร้ารักตายเขก็ต้องดื่มถามว่าเป็นบาปของเขาไหมไม่เขาเป็นมุกรองเป็นผู้ถูกอะไรอ่อถูกบังคับอ่าแต่เมื่อเขาเขาสามารถจะดื่มก็ได้ไม่ดื่มก็ได้แล้วเขาเลือกที่จะดื่มไปตามของเขาใช่ไหมครับขอทรับผิดชอบในการทำของเขานั่นคือคือชีวิตในโลกดุนยาอ่ส่วนในเรื่องของอาเคโรเน่ เราก็ไม่<อ>ทราบว่าใครเป็นชาวนรกใครเป็นชาวสวรรค์ตรงนั้นอยู่ในความรู้ของอัลตลาแต่ท่านนบี ว, ว่าทุกคนกคนุกคนคลุนมุยสรุลิล ม, มาคุลิกาลาหูแต่ละคนเนี่ยถูกให้เขาไง่ายได้ไดปยังสิ่งที่เราสร้างให้กับเขาพรรดคนที่เป็นการงานของชาวสวรรค์แล้วก็เป็นสิ่งง่ายได้ชอบที่จะไปทางนั้นในสุดปลายทางก็คือสวรรค์ส่วนคนที่เป็นชาวนรกนะเวลาอุสบินลแล้วเราก็ขอความคุ้มครองจากอัลตลาก็ชอบในสิ่งที่เป็นความชั่ว อะไรเป็นความเชื่อแล้วเสแวงหาแล้วก็ชอบจะเป็นนิสัยถ้าไม่ทาความเชื่อแล้วไม่มีความสุขมีความสุขการทําความเชื่อและทําไปเรื่อยๆอเจนกระทั่งว่าเสียชีวิตในความเชื่อนั้นเขาก็เป็นชาวนรกไปอัลตลาได้ทรงให้เส้นทางแก่พวกเราเนี่ยสองเส้นทางทางหนึ่งก็คือทางที่จะไปสวรรค์และเส้นทางจะไปนรกแต่อัลลอฮ์ไม่ส่งเสริมให้เราไปในเส้นทางที่ไปนรกเพราะอัลลอฮ์ส่งส่งนบีมาเพื่อที่จะชี้ทางให้เราไป สวรรค์ส่งคัมภีร์มาเพื่อจะได้เรียนรู้ว่าทางไหนที่ไปสวรรค์ไปนรกเป็นฟุตกรดกร็แบ่งแยกระหว่างอันพักและอันบาตินนะสิ่งที่เป็นศัจธรรมและสิ่งที่เป็นความเทิศนะแล้วก็ให้มีผู้ที่มีความรู้ในเรื่องของศาสนาของลอตลารู้คมภีร์ู้ศาสนาของลอตลาตลอดนะสืบทอดกันตลอดนะนั่นก็เป็นการของลอตลานะให้กับบ่าวของพระองค์อในฮะดิษบบนี้นะ ท่านอิหมามอันนาวีรองมังร้อนนะครับท่านได้กล่าวถึงไว้นะครับในในการอธิบายของท่านในการอธิบายฮะดิดมุสลิมฮะดิดเนี้ยเป็นฮะดิด ท, ที่อยู่ในไซต์มุสลิมด้วยนะครับท่านอันาวีได้จะอ่าในความในบางตอนนะครับที่ท่านได้กล่าวถึงอท่านบอกว่าพอท่านในบีกล่าวเรื่องนี้นะครับ พอท่านนบีกล่าวเรื่องนี้เนี่ยนะก็มีมันมีอีกรวิทยตหนึ่งนะที่ท่านบอกว่าไยซามินมาลูเดนยูและดูอินลาอัลลาห์ดินทิตรฮัดแต่ยูอับบารูอันหูลิซานุหูฟะกลูยา ر س و ل ล l l a h ยา رسولullah อัฟารอไอตะมันยาโมตุสอกีรัน บอกว่าและอัลลอฮฺเล่ามุบิมากาอามิลิน อ, อีกสายรายงานท่านนาบีบอกว่าไลยซาหมินมูรูนนะไม่มีเด็กทารกคนใดที่เกิดมานอกจากว่าอยู่บนพิธรอหันนี้ก็คือโดยการรู้จักพระเจ้าอยู่บนเตาเหินนะจนกว่ายูบอับบารอตายอับบารออันฮุลิซานุจนกว่าเขาจะพูดออกมาจากด้วยลิ้นของพวกเขาขเขาโตขึ้นมาขเขาสามารถจะพูดสามารถจะเลือกสามารถจะทำ นะแต่ว่าเกิดมาใหม่ๆเนี่ยเขายัางอยู่ในพิทรอ์นะพอโตขึ้นมานี่ก็อีกเรื่องหนึ่งอ่าสิ่งเขาเป็นพูดเลือกการเดินทางของเขาอาจจะไปทางของแจวสวรรค์หรือทางของแจวนรกนว่าอ่าก้อลูบรรดาซอมาก็ถามท่านนาบีว่ายาระสูลลออุละสูลลออัลพะรอไอจ้ามันย่มูตุซอฮีรันแล้วคนที่ตายตอนเล็กๆละมาจะเป็นอย่างไรนะเขาจะเป็ น, นยังอยู่บนพิทรอ อยู่หรือไม่หรือเป็นอย่างไรก็แหละอัลลอฮฺเราไม่มากาโูอามิลินนะท่านท่านานบีบอกสิ่งที่พวกเขาจะกระทำนะอัลลอฮฺรู้ดีว่าเขาจะกระทำอะไรนะนน ก, ก็ก็เป็นเรื่องของอัลลอฮฺซึ่งเราก็ไม่รู้นะแต่ว่ามันมีฮะดีตอื่นนะที่ท่านนบีได้กล่าวถึงนะถึงเรื่องของเด็กเล็กๆนะมีฮะดีตท่านอาย่างไงเช้าเราจะลองอันเถอะทา่านได้กล่าวว่าคือมีเหตุการณ์ว่าตูบฟิยาซอบี้ยนมี น, นอันซอดนะมีเด็ก คนหนึ่งที่เป็นชาวซอสนได้เสียชีวิตฟากโก้หละตูบาลหาหูท่านหย่งไงเช้าเราจะลองวันทาก็กล่าวว่าตูบาลาหูขก็ตูบาเนี่ยคือคือเป็นคําพูดว่าเป็นการว่าคือเขาได้รับสวรรค์รได้รับความดีอ่าสวรรค์เป็นของเขาออสฟูรุนมินอาซอฟีรินเจนนะ่ะเด็กคนเนี้จะเป็นนกตัวหนึ่งจากบรรดานกหลายๆตัวที่ในสวรรค์อ่ที่ท่านนาบีได้กล่าวถึงว่า ที่เขาเสียชีวิตตั้งแต่เล็กๆเกนะี่เขาก็เป็นรั้วของเขาหรือว่าแม้กระทั้งว่าคนตายเชื้อิตใช่ไหมรั้วของเขาเนี่ยจะได้ไปชมสวรรค์ท่านท่านอย่างชะพูดมื่กลว่าเขาต้องได้ข้าสวรรค์อย่างแน่นอนลำยะอมาลิสลำยะอมาริสุเขายัางไม่เคยทําความเชื่อเลยว่าลำหยุดอริกหูและความเช่อก็ไม่เคยไม่เคยเขายัางไม่ทันจะการทำความเช่อเลยก็เสียชีวิตไปก่อนก็ล่ท่านนับีได้ยินให้เบิกกล่าวว่า เอาไงยูโรเจลิกายาเอเชียอ่าแต่อาจจะไม่เป็นอย่างนั้นก็ได้วอาเอเชียอ่าท่านในบีเกลติงอาจจะเนี่ยใช่ว่าเอาเอาว่าไงโรเจลิกายาเอเชีหรือว่าอาจจะไม่ใช่อย่างนั้นก็ได้เอเชียอินนัลลาคอลากอริญนาติอาฮันคอลากอหุมและฮนะแท้จริงสวรรค์ที่องค์ทรงสร้างพวกเขาเพื่อเพื่อไปสวรรค์ ว่ฮุมฟีอสลามีอับอิิมฮุมฟีอลสลามีอาบอิฮิมซึ่งคนได้เป็นชาวสวรรค์เนี่ยก็เป็นชาวสวรรค์ตั้งแต่อยู่ในในกระดูกสันหลังของพ่อของเขาท่านเรื ie, Stone, ่องนี้นะถามว่าใครรู e. ้อัลลอฮ์รู้นะครับเราเรารู้ไหมเราไม่รู้นะเราไ่เราไม่รู้ว่าขอลาก่อนว่าละขอลกอนลินนาซีอหลลันและอัลลอลาทรงสร้างประชากรให้กับนรกเมื่อกี้สร้างประชากรให้แก่สวรรค์อันนี้ก็สร้างประชากรให้นรก ว่าุมฟีอัศลาบีอาบาอิทิมนะตั้งแต่เขาอยู่ในกระดูกสันหลังของบิดาของเขาด้วยฉะนั้นท่านท่านติงอันี่อาช่าบอกว่าท่านอย่าไปว่าอย่าไปอย่าไปรีบบอกว่าเขาเป็นชาวสวรรค์เพะว่ชาวสวรรค์ชาตินรกเนี่ยเรารู้ตั้งแต่อยู่ในตั้งแต่อยู่ที่กระดูกสันหลังของบิดาเขายังไม่แล้วเอาก็สร้างมาแล้วสร้างนรกแล้วสร้างประชากรนรกสร้างสวรรค์แล้วก็สร้างประชากรสวรรค์นะก่อนหน้าที่เขาจะเกิดมา นะแล้วก็ไม่รู้ว่าใครคนหนึ่งไม่รู้ว่าใครบ้างที่เป็นประชากรสวรรค์ใครที่เป็นประชากรนรกนะก็ทําให้เป็นประเด็นนะก็ทําให้เป็นประเด็นนะท่านอิหม่ามนาวีบอกว่าคนที่ยึดไฮดิษนี้เนี่ยนะซึ่งก็มีบรรดานักวิชาการส่วนหนึ่งก็ยึดตามไฮดิษนี้ก็ถือตามหฮดิษนี้ก็ก็กล่าวว่าอันนัมันมาตามินอัตฟาลิมุสลิ เลียนนาหูไลซาหมูก ล, ลาฟันนะได้กล่าวว่านะชาวบรรดาเด็กเด็กของมุสลิมเนี่ยที่เสียชีวิตไปเนี่ยขอเป็นชาวสวรรค์เพราะว่าเขาเอาหน้าที่ตามที่เราส่งบัญญัตกลลกิก็เหมู่กันหลับวันเด็กเล็กยังไม่ใช่เป็นหมูกลล่การหลับวันเขาตายไปโดยที่ยังไม่ไม่ถึงเวลาไปบรรดาที่อ่าเขาก็อเป็นชาวสวรรค์ ว่ตะวักกอบฟ้าฟีฮีบาอุดมมินมัมนละยอะดทัดโดยบีบีฮีฮหรฮาริสนาอิชะฮะจ่ะนะหนึ่งก็ก็ตะวัก ف, วกอบตะวักกอบก็คือคือไม่ไม่กลา้าไม่กล้าพูดเพราะว่าท่านหญิงเพราะท่านหญิงมีทวงท่านหญิงอาเช่าบอกว่าเออเช่าอาจจะไม่ใช่เป็นชาวสวรรค์ก็ได้นะเพราะเราสร้างสร้างชาวสวรรค์นะมาก่อนหน้านี้แล้วแล้วก่อนนี้อาจจะเป็น ว่าถ้าเด็กคนกเนี้ยถูกกำหนดว่าเป็นนั่นคือคือคือความหมายเข้าใจได้อย่างนั้นเพราะฉะนั้นนั่งวิจันในในาการคุมหนึ่งว่าแต่ว่ากบแล้วก็คือเราไม่พูดถึงหมายถึงว่าเรื่องของเด็กเนี่ยจะเป็นชาวสาวรรค์ชาวรกเนี่ยว่าเราอารมณ์กระจุบแต่ว่าคุมหนึ่งบอกว่าเด็กนี่เป็นชาวสาวรรค์เขาอ้างให้ดิษแรกนะครับดิษฐีบอกว่าน่าเด็กทุกเกิดมาในฟิตรอสตามฟิตรอสของเขาแล้วเขาก็ถ้าเขายังไม่ ถึงเวลาที่ที่จะต้องไปประสานน ก, กินหรือเรียกว่ามุกัาลับเนี่ยเขาก็ยังอยู่ในพิโนยังเป็นชาวสาวรรค์อยู่ยังรับในเตาหิดของลาอตเตอร์นะยังไม่ไปเสียลอตยังไม่ได้ไปเสียลอร์ใช่ไหมครับยั ง, ยงเป็นมูฮัตฮิดอยู่ไม่ใช่เป็นมุสลิกงนั้นเขาก็กลายเป็นว่าอ่านักอุชาการก็ให้ความเห็นไปสงทัศนะทัศนะที่หนึ่งก็คือเด็กมุสลิมที่เสียชีวิตก่อนก่อนที่จะถึงอากินบาลิกเนี่ยอเขา เราต้องอะไรเขาแรกเป็นชาวสวรรค์ น, นะแต่อีกกลุ่มหนึ่งก็บอกว่าเรายัางบอกไม่ได้เพราะท่านนายบีเนี่ยทวงท่านหญงอาชาวะท่า น, นยญิงอาชาน์หนมั่นใจว่าเป็นชาวสวรรค์แต่ทอ่อาจจะไม่ใช่ก็ได้นะทําไมละ่ะก็เพราะว่าเราสร้างชาวสวรรค์ตั้งแต่นู้นตั้งแต่เขาไม่เกิดสร้างชาวนรกเมื่เขาไม่เกิดเพราะขนาดอยู่ในขั้นของอยู่ในกระดูกสันหลังของพ่อของเขาเนี่ยอ า, อาจจะเป็นเป็นชาวนรกมาแล้ววันนั้นกอดมาก็อกอดมาก็ไอะไรครับ เป็นชาวนรกนะในในในความหมายเพราะนั้นนักชายุ่นี้บอกว่าทันทางนั้นเราไม่กล้าที่จะพูดนะในเรื่องของของของเด็กว่าเป็นชาวสวรรค์นะถ้าเขาเกิดมาในครอบครัวของมุสลิมนะและเก็เสียชีวิตก่อนที่อากินบาลิกแต่ท่านมัลนายูบบอกว่าว่าอาญาบันอุลามีอันนาฮูลละอัลเลหูนะฮาอนิลมุซารอะตีอัลลตี alقطع عن غيري أي يكون إنها دليل قاطع كما أنكر على سعد النبي قص تقوله أتى إني أراه مؤمنا ولا أو مسلم นะฮะซึ่งท่านอิหม ok nah, ่าอ aw ันดาวีอ uh, uh, um um uh, uh, ันนาวีรองหัวเมืองอลอุลามะได้ตอบกลุ่มนี้คือได้ได้ตอบกลุ่มนี้ว่าที่จริงแล้วเนี่ยขาดีของท่านหญิงอาชาเนี่ยไม่ได้บอกว่าเด็กที่ เด็กมุสลิม น, นะหรือว่าเด็กินแล้วก็เสียชีวิตก่อนที่เขาจะบรรลุสานภาวะเนี่ยไม่เข้าสวรรค์ไม่ใช่แต่ว่าอาจจะเป็นไปได้ว่าท่านนาบีเนี่ยต้องการหยับรามท่านอย่างเช่ว่าอย่ารีบตัดสินโดยที่ท่านไม่มีหลักฐานที่ชัดเจนนะอย่าอย่ารีบตัดสินโดยไม่มีหลักฐานที่ชัดเจนนะเหมือนกับที่ท่านเคยเคยกล่าวปลาม สาอาตอิบเนบอกสนะเมื่อครั้งที่ท่านนาบีสุลัลัมได้ได้ให้ได้อเดียหรือว่าให้อินครามหรือให้สิ่งที่มีอยู่กับท่านนะครับให้กับแบ่งให้กับบัรดามมุสลิมนะทีนี้ปรากฏว่าก็มีให้หรือไม่ให้จะให้หรือไม่ให้นะสาอาตก็ นี้อาราหูมุหมินั้นเีจยวให้เขาถ้าเรอซูลให้เขาเลยฉันเห็นว่าเขาเป็นมุหมินฉันเห็นว่าเขาท่านอบีว่าเอาเอามุสลิมันหรือเ่าอาจะเป็นมุสลิมก็ได้มุหมินกับมุหมินกับกับมุสลิมต่างกันไหมอัลกอริมต่างต่างตรงไหนนะฮะทุกคนที่ยอมทําตา ทั้งหมดแล้วเป็นมุสลิมใช่ไหมครับแต่ว่าก็ไม่แน่ใจว่าเขาทําสิ่งเหล่านี้ด้วยความศรัทธาหรือไม่ใช่ไหมครับถ้าเขาท ำ, าาาาทำด้วยความศรัทธาเขาก็เป็นมุสลินใช่ไหมครับแต่ถ้าเขาทําไม่ดีก็เขาจะเป็นมุสซินอคือนั่นคือระดับของอิมานที่เขากล่าวถึงบางคนคนนี้อาจจะเป็นมุสลิมธรรมดาไม่ใช่เป็นผู้ศรัทธาเหมือนที่ท่านพูดก็ไน้นั่นก็คือเป็นการปรามสารบอกว่าอย่าไปรีบ บอกว่าคนนั้นเป็นมุสลิมคนนี้เป็นมุสลิมคนนั้นเป็นคาเฟตไม่กาเฟตคืออย่าไปรีบจนกว่าจะมีอะไรครับมีหลักฐานที่เราเห็นปรากฏมันชัดเจนก่อนนะก็แค่นั้นเอง ไ, ได้ไม่ได้บอกว่าลูกของมุสลิมที่เสียชีวิตก่อนบรรลนุนั้นนภาะวะไม่ได้เข้าสวรรค์แต่เป็นการปาลามท่านอย่งางไรช่เอกเท่านั้นเองว่าอย่ารีบที่จะไปะตัดสินเดี๋ยที่ท่านไม่มีหลักฐานที่ชัดเจนนะนั่นคือนักวิชาการเขาว่ มัน ก, ก็ยังคงอะไรครับยังคงยังคงยึดมั่นตามที่ว่าตามตามชนะแรกก็คือว่าเด็กมุสลิมที่เสียชีวิตก่อนที่จะถึงวัยสถานภาวะนั้นเขาเป็นชาวสวรรค์แล็ท่านได้กล่าวว่าวายุสัมันอันน้าฮุสัอัสลมก็ล้วแตกอบล้อย่าลัมอันนัลอศฟาลัมมุสลิมีนาฟินญจนน นะอาจจะเป็นไปได้ว่าท่านนาบีกล่าวปาลมท่านอย่างเช่นเนี่ยก่อนที่ท่านจะทราบว่าแตจริงเอ่อตอนที่ท่านจะทราบว่าเด็กๆของมุสลิมที่เสียชีวิตก่อนวัยบรรลุนิติสันพาวะนิติสันนักพาวะเนนะีนะ่ยน่ะเขาเป็นชาวสวรรค์ซึ่งก่อนหน้านั้นท่านนาบีรู้นะ่ะแล้วก็ท่านรู้ทีหลังนะ่ะก็เป็นไปได้นะวันลออนะวอนละแล้วก็หลังจากนั้นทะ่านะนบะีกนะ็กนละ่าว นะกล่าวว่าไงครับมามินมุสลิมยะมูตูลาหูซาลาซาตุนมินันวะลัดลำยบลูฮุลฮินซีฮินซาอิลล่ะอลัลกอลาฮุลลอฮุนเจนะบีฟอดลีรอฮ์แมตีฮินะนั่นก็เป็นอีกไฮดิษหนึ่งที่ยืนยันว่าเด็กที่พ่อแม่เป็นที่พ่อของเขาเป็นมุสลิมแล้วก็เสียชีวิตก่อนที่เขาอาจจะถึงวัยบรรลุสารภาพเนี่ยจะได้ข้าสวรรค์ก็เพราะท่านอธิบายว่า นะไม่มีมุสลิมคนใดที่ลูกของเขาปิดสามคนนะถึงสามคนโดยที่ยังไม่ถึงวัยบรรลุสนภาวะยบาาะลูกให้อลฮินก็คื อ, อบรรลุสนภาวะนอกจากว่าเอเราจะให้เาข้ า, วขาวสวรรค์ด้วยด้วยความการุณาและด้วยความการุณาตาของพระองค์ที่มีต่อเด็กๆ เ, เหล่านั้นแสดงว่าเด็กๆ เ, กเ่านั้นเข้าวสวรรค์หรืไปนะลูกครับ เข้าวส ว, วรรค์เราเอาโมิดาคนที่เข้าไปในทะุกนะวันหลังเยสบินแลว้วเพราะนั้นฮะดีนี้ก็บ่อยทราบว่านะเด็กๆนะที่เสียชีวิตก่อนที่จะบรรลุสนาภาวะเขาก็เป็นชาวสวรรค์แล้วก็ท่านนศูนย์สเสียลูกถึงสามคนแล้วเขาก็ยอมรับในการกำหนดของรัตลาไม่ตีโพีิไม่มีอะไรนอกจากยอมรับอินนาริลละอินนาริโรยอูน คนนี้นะเอาล่ะจะให้เขาเข้าสวรรค์ด้วยความเมตตาที่พระองค์ทรงมีแต่ลูกของเขาทั้งสามแล้วก็มีอดิตว่าลูกทั้งสาลูกของเขาเนี่ยไปอยู่ที่ประตูสวรรค์ไปคอยอะไรครับคอยบีเขาแล้วเขาจะไม่เข้าสวรรค์จนกว่าบี ด, ดา ม, มันดาเขาจะมาถึงนั่นก็คือลูกของมุมินนะครับลูกของผู้ศรัทธาไม่ใช่ลูกของกาเฟส น, นะครับแต่กาเฟสทไม่ได้ เอ่อนในเรื่องของเด็กมุชลิกีนอันนี้ น, ะ น, ะนี่นะครับนะก่อนเราจะเรื่องเด็กของมุชลิกีนล่ะเด็กของมุชลิกีนของผู้บัญชาบิรที่ไม่ใช่เป็นมุสลิมเขาตายยังไม่บรรลุสถานภาวะต่างแต่เล็กๆ เ, เหมือนกันเด็กมุสลิมเราพูดไปแล้วใช่ไหมแต่เด็กมุชลิกีนล่ะนะท่านบอกว่ารูนฮุมฟินนารีนานตาบิอัลลีอาบาอิฮิม อุลามะส่วนใหญ่ส่วนใหญ่อันนี้แบ่งเป็นสามกลุ่มอีกเช่นเดียวกันส่วนใหญ่นะบอกว่าเขาก็เป็นชาวนารกเหมือนกับบิดามดาของเขาถ้าบิดามดารด้าเขาไปนา็นนรกเขาก็ต้อไปนรกเหมือนกันนะนั่นคือนั่นคือทัศนะที่หนึ่งวาตาวักกอฟัดโตอีฟะตุนน่ะอีกกลุ่มหนึ่งกล้าพูด เราไม่กล้าพูดเราเป็นชาวนากหรือเป็นชาสวรรค์ก็แล้วแต ah ่เราแล้วแต่เราก็เลยกันเราไม่กล้าบอกว่าเป็นชารนาลูกชาสวรรค์เพราะว่าเด็กเขาอาจจะเป็นไปได้ว่าเด็กไม่อยู่ในวัยที่มุกันรัไม่ไม่วัยที่ต้องบัตรแสนกิจก็ไม่ไปบัตรก็ก็ไม่น่าจะมีความผิดอะไรอย่างนี้เราก็เลยไม่กล้าจะบอกว่าเป็นชาวนากหรือชาสวรรค์วาสาลิตและกลุ่มที่สามกลุ่มที่หนึ่งบอกว่าเป็นชาวนากกลุ่มที่สองบอกว่าไม่รู้ก็ ขึ้นอยู่กับนะกลุ่มที่สามบอกว่าอ่าท่านบอกว่าว่ซเฮะกลุ่มที่สามแหละโซเฮะี่นี่เ า, า, า, นะ า, า, าพูดท่านอิมามนาวีเนะอะไรกุนอันนาฮูมินอาลิมเจนนะนะที่บรรดาโมฮัคกีกูลบรรดาผู้ที่ได้ได้ในเรื่องนี้นะนะเขาบอกว่าเด็กเหล่า น, นี้ก็เป็นเจ้าสอเหมือนกันนะเราก็เคยกล่าวไปแล้วใช่ไมเรืงว่าเด็กเด็กนะที่ไม่บรรลุสาระภาวะ ก, ก็ก็เป็น ชาวสวรรค์เหมือนกันจะเป็นมุชิดิกมุชริกนะนี่คือทันะที่สามแล้วก็ท่านบอกว่าอิหม่ามนาวีเห็นด้วยกับทนนันะนี้นะท่านเห็นด้วยทันตานี้อทําไมละ่ะท่านบอกว่าวัสตัดัลลาหูเบอเชแล้วก็พวกเขาได้ได้มีหลักฐานได้อ้างหลักฐา น, นมากมายนะมินท่านหนึ่งในหลักฐานนั้นก็คือว่าฮาดีเยซูอิบรอฮิมอัลคอลิน สันลอลสันลัมฮีนารอาุนนบียสัลสัลัมฟินจนนะท่านใช้คำว่าสัลสกับอิบราฮมด้วยได้ไหมได้ในปันหาไม่ใช่ว่าตกใจเฉพาะท่านนับดุมหม็ดเท่านั้นท่กคนก็ได้นะท่านบอกว่าในฮะดิษของอิบราฮีมอันคาริลสันหลรอสันหลัมฮีนารอาุนนบียูสัลสัลัมฟินเจนนะคือฮะดิษที่เกี่ยวข้องกับอิบราฮีมอลสัหลมหรือสลรอลัมนะถามวิว่า เมื่อครั้งที่ท่านนาบีมุมัดได้ไปเจออิบราฮิมแล้วไปเจอที่ไหนเนี่ยไปเจอที่ไหนล่ะดุนไฮฮามิบู ม, มัดไปเจ อ, อิบรมที่ไหนอ่าในใ น, ในการไม่อดรถของท่านในการไม่อดรถของท่านก็ไปเจออิบราฮิมอะไรสักเล่ลมนะไปเจอที่ไหนฟินยันนะ์ะสวรรค์เจอที่สวรรค์ว่าเขาและเขาเอาและดุนนัสและห้อมล้อมอิบราฮิมด้วยลูกลูกของมนุษย์ เน้อเด็กๆกันเองอัลลาดุนนาสเด็กๆห้อมล้อมเต็มไปหมดอิบราฮิมอยู่อ่าห้อมล้อมด้วยเด็กๆกอลูยาร رسول ا อืมว่าอัลลาดุนมุชริกีนคําว่าเอาลาดุนนาสลูกๆของมนุษย์มนุษย์เนี่ยไม่ได้บอกเป็นมุสลิมใช่ไหมครับบรรดาสาวก็เลยสงสัยว่ายาสูลละแล้วลูกๆของของมุชริกินด้วยเลยเนี่ยลูกๆของผู้คนเนี่ยเด็กๆของผู้คนเนี่ยผู้คนเนี่ยเป็นมุชริกินได้ไหมก็แหละ ว่าเอาแล่ลูกมุชิกียนต่านว่าหมายถึงลูกของมุชิกีนที่เสียชีวิตก่อนที่จะอากินบาลิบาลิก่อนที่จะสวยบรรลุสันตภาวะบันทึกสื่อสารใหบุคอรีด้วยอ่าอยู่ในสารให้บุคอรีด้วยแล้วก็มีอ่พวกเขาได้อ้างว่าว่ามาคุณนาโมอันสีบีนะ พัฒนาบาอาซาระสุลาเราจะไม่ลงโทษคนกลุ่มหนึ่งกลุ่มใดจนกว่าเราจะส่งรอซูลไปก่อนนะเวลาเยตาวัดยัฮูอัลันมอุลูตอตักลีบวายันสุวายันสมุหูกาวลุราะซุลีฮัตตะยาบลุนะว่าจะมุตตะพูดอะไรนะท่านบอกว่านะคำว่าเอาลอตลาไม่ส่งลงโทษคนกลุ่มหนึ่งกลุ่ดจนกว่าพระองค์ทรง เด็กๆที่ยังไม่สู่วัยยังไม่ถึงวัยบรรลุสนภาวะเนี่ยนะถึงแม้ว่าเราซูนมาแล้วเขาก็ไม่ไม่สามารถที่จะเข้าใจาบัญญัติสนาเหล่านี้ได้และก็ไม่ไม่ใช่อยู่ในวัยตักรีบที่เขาต้องไปปฏิบัติตามอา่าแล้วก็ไม่ได้อา่าบัญญัติให้เขาปฏิบัตินนจนกว่าเขาจะบรรลุสนาภาวะเพราะฉะนั้นนะเาขาจึงไม่มีบาปนะซึ่งสัานบอเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เป็นข้อเป็นเรื่องที่เราบุตฟักอะไรกือคื อ, คอ ว่าคนที่ยังไม่ยังอยู่ในวัยที่ไม่บรรลุสารภาวะไม่สามารถจะไปเข้าใจสารของท่านเราฟูนได้แล้วเขาเสียชีวิตในตอนนั้นนะเขาก็ไม่มีความผิดนะเมื่อมีความผิดเ้าก็เป็นชาวชาวสวรรค์ก็นั่นคือเรื่องของเด็กที่เป็นที่เสียชีวิตก่อนวัยบรรลุสารภาวะนะครับ ก็เรื่องอื่นก็ท่านก็กล่าวไว้เยอะแต่ว่าเราก็ก็คงจะพอแค่นี้ก่อนนะฮนะแล้วก็ฮะดิษหลายๆฮะดิษนะที่บอกให้ทราบว่านะอัลลอฮฺตะลาได้ทรงสร้างชาวสวรรค์แล้วก็ทรงสร้างชาวนรกแล้วก็นะนะยอมรับอัลลอฮฺตะลาก่อนที่จะมาสู่โลกดุนยาของเขานะเมื่อเขามาสู่โลกดุญญนยะาเขาก็เริ่มที่จะเริ่มจะลืม นะเริ่มที่จะลืมสัญญาที่เขาเคยสัญญากับลอตเตอร์ลามันคนที่ลืมสัญญานะคนกอฟิลินนะก็เตือนเขาเอะไรเราให้เตือนด้วยอะไรครับด้วยด้วยการส่งกรอสูนมันเมื่อเมื่อเราลืมัเราก็เตือนด้วยการมีรอสูนมีคำพี่แล้วก็มีผู้ประกษษาศศาสนาเขาลาไปถึงทีนี้นะเมื่อสารไปถึงแล้วเนี่ยเขาก็ยังลืมอียังไม่ยอมรับอีก ตรงนี้แหละที่อัลลอฮฺตัลลาจะลงโทษพวกเขาแล้วก็นในวันเกียรติธรเขาก็จะไม่มีสิทธิ์ที่จะมาอ้างว่าเขาไม่รับไม่ไม่รู้ไม่ทราบสารของขอัลลอฮฺตัลลาฮฺส่วนคนที่ไม่อยู่ในในภาวะที่เขาจะอะไรครับที่จะรับสารได้เหมือนกับเด็กเล็กที่ว่าแล้วนะอุลมามะก็บอกว่าคนเหล่านี้อยู่บนฟิตรอของเขาเขาก็ไม่ถูกลงโทษและเขาก็จะเป็นชาวสวรรค์นะวันลาอูอัลลามิสวาบ เราก็จบอายัดสาอายัดนะครับนะแล้วก็คาอธิบายนะที่มีอยู่ในอิมมานุกะซีนนะส่วนฮะดิษต่างๆที่อิมมานกะซีน ย, ย, ยกมาเนี่ยมากมากนะเราก็คงจะอ่านไม่หมดนค่ น, นี้อเอาแค่นี้ก่อนนะครับใครมีอะไรที่เป็นข้อสงสัยหรือเรื่องความหมายเราไม่เข้าใจหรือสงสัยได้บ้างไหมครับถ้าเราดูในความหมายเกิดว่าไม่เข้าใจอะไร ฉลอบตาลาเราก็มาดูอีกครั้งหนึ่งหรือเรามาคุยกันรอบก็ได้นะแต่ถ้าเข้าใจแล้วก็อิฉลอบตาลากลับไปทบทวนนะแล้วก็พยายามที่จะอ่านเรื่อยๆนะนะถ้าว่าเราเข้าใจความหมายเราจําความหมายเวล้วเราอ่านในในการอ่านมันก็จะมีอัรรุนหรือเราฟังคนอื่นอ่านก็อรรรุนนะเพราะว่าเราสามารถจยบตามการอ่านนะเราสามารถจับตามความหมายได้นะก็ขอตอบตาลา ให้เราได้เห็นสิ่งที่เป็นความถูกต้องเป็นถูกต้องแล้วก็เอาไปปฏิบัติเห็นสิ่งที่เป็นความผิดพลาดก็เป็นเรื่องของความผิดพลาดแล้วก็ห่างไกลด้วยอารมินยารับบนอารมณรับนาลาตัวอาคิดนาอินนาซีนาเอาอักโตะนะรับบนาว่ลาตามินาเลยนะอิสรงกามามันตะวันละทีนะมินกลบลีนนะรับบนาว่านาบีวอกควันนาโอฟิลนาวัดหัมนาอันตามอลานาฟันซุนนาลันโคมิกาทีรีนรับบนา و صلى الله و على نبينا محمد و على آله و صحابة أبنائه سبحان ربك رب ا ل ع ا ل س ي أما يسكون و السلام على ا ل م س ل ي ن والحمد لله رب العالمين و السلام عليكم ورحمة الله وبركات